พระธรรมเทศนาแผ่นที่49ลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่11กรกฎาคม2555มีชื่อเรื่องว่าใช้ปัญญาในการทำงาน วันนี้เป็นวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2555วันนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน7แต่ตามไม่จริงปีนี้เป็น8สองหนถ้าจะว่าให้มันถูกต้องก็คือ8แรกแรม8แรก8ที่สองจะเข้าพรรษา แต่ถ้าหากว่าเหมือนทุกปีที่ผ่านมาถ้าไม่ใช่แปดสองหนก็เป็นแรมแปดข้าเดือนเจ็ดวันพระหน้าก็เป็นวันดับเดือนเจ็ดดับแล้วก็ต่อไปนั้นก็อีกสิบห้าวันก็เป็นวันเข้าพรรษาปีนี้ปี255ห้า วันเข้าพรรษาของเราเป็นเข้าเดือนสิงหาเพราะมันแปดสองหนเข้าวันที่สามวันที่สามสิงหาวันเข้าพรรษาวันที่สองสิงหาเป็นวันอสซรหะบูชาวันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนเจ็ดทาว่าเป็น ปีนี้ก็ว่าเป็นเดือนแปดนะแต่หลวงพ่อพูดถึงเดือนเก่าแลมแปดคำเดือนธรมธรมดาปีธรรมดาไม่ใช่แปดสองคนนะชค่วงนี้คณะสัทธาญาติโยมที่อยู่ใกล้ใกล้หลวงพ่อนะที่มานั่งอยู่ที่ศาลาถึงยังไงไงพวกเราต้องช่วยกันอ่ เพราะว่าวันที่13เป็นวันรับเสด็จทุนกระหม่อมว้าญิงเล็กและก็ลูกสาวพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ลูกสาวจะได้เสด็จวัดของเราเพราะนั้นการรับเสด็จกับพวกเราก็ได้รับเสด็จหลายครั้งแล้วคงจะรู้แนวทางแต่ถึงอย่างไงก็ต้องอาศัยความพร้อมเพียงสามัคคี คณะสัตยาญาติโยมผู้ไหนเคยทำอะไรพอที่จะมาช่วยได้ก็มาช่วยช่วยกันกระผู้อยู่ข้างในก็เหมือนกันต้องมองหากำลังกำลังที่จะมาช่วยกลุ่มไหนที่เคยมาช่วยก็เรียกหากลุ่มนั้นและแล้วก็ทางอาเภอทางอบตอที่ปีที่ผ่านมา นายอำเภอที่ผ่านมาที่ท่านย้ายไปโนดสะอาดท่านก็ให้พี่น้องชาวบ้านแบ่งกลุ่มกันเข้ามาช่วยแต่ปีนี้ท่านนายอำเภอไม่อยู่แต่ท่านปออุโสก็ทําหน้าที่แทนเพราะนายอำเภอยังเรียนหนังสือนายอำเภอที่จะมาใหมย่ยังเรียนหนังสือยังไม่จบยังไม่เข้ามาทําหน้าที่ก็ทํามอบให้ปออุโส ทำหน้าที่แทนเพราะงั้นพวกเราก็ต้องประสานทางปออาวุโสดูเพราะ น, นี้ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดจะ่ไปนหนักใจอย่าไปนหนักใจคนเดียวเพราะว่ามันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของฟ้าของแผ่นดินของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนรัศการมีหน้าที่ท่าทางบกพร่องต่อหน้าที่แล้วก็ แปลว่าไม่เป็นผลดีสําหรับราชการกลุ่มนั้นแหละเพราะนั้นพวกเราในฐานะเป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นเจ้าของสถานที่พระองค์เสด็จมาตามอัตยาศัยเป็นส่วนพระองค์พวกเราก็ยินดีถือว่าเป็นมหามงคลอย่างยิ่งสําหรับวัดของเรา แต่พร้อมกันก็เนี่ยลูกสิทธิ์ลูกหาหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อควรจะถืออย่างนั้นอีกเหมือนกันพอหลวงพ่อถือว่าเป็นมงคลมงคลอย่างยิ่งจะหาได้ที่ไหนที่ท่านจะเสด็จคิดดูสิไม่ได้แร้วภารกิจของท่านมากมายอันนี้ท่านปลีกตัวออกมา เยี่ยมเยียนวัดของเราหรือว่ากลุ่มของเราถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะนั้นให้พวกเราช่วยชวยกันคนละไม้คนละมืออันไหนจะเกิดประโยชน์ต้องฝ่ายพระสงฆ์ก็ช่วยชวยกันดูต้องฝ่ายทางครัวครัวเนี่ยแหละจะให้ขาดตกบกพร่องแต่เรื่องวัตถุดิบไม่ต้องห่วงมีอะไร แต่จะเอาเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องอาหารการบริโภคก็ให้เตรียมเข้ามาเพื่อให้เพียงพอให้ทั่วถึงพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงกับโรงแรมห้าดาวถึงขนาดนั้นเราอยู่ป่าเราเลี้ยงแบบป่าอยู่แบบป่าแต่ก็ให้เพียงพอให้มีอยู่มีกิน ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทุกระดับระดับไหนควรจะเลี้ยงอาหารอย่างไรอันนี้กระทำแม่ครัวหรือว่าคนครัวต้องคิดเมนูอาหารออกมาเลี้ยงพี่น้องประชาชนพอเหมาะพอสมเพราะว่าผู้ที่มารับเสด็จมาก็ห่างไกลจากตลาดมาอยู่วัดป่าห่างไกลจากตลาด พวกเราจะต้องเป็นเจ้าของบ้านก็ต้องไปช่วยชยดูแต่อย่าบ่นว่าหนักถ้าบ่นว่าหนักแสดงว่างโง่พูดอย่างนั้นได้เลยทำไมจึงว่างโง่อา้าวก็ยังบอกแล้วบอกว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่ใช่ของเจ้าคนเดียวก็จะต้องบอกหาผู้ที่มารวบแต่อย่าให้ขาดตกบกพ้่อง แต่ถ้าว่าขาดตุกผ้พองก็จัดว่าประเภทว่าโง่งอีกเหมือนกันโง่ตั้งแต่หลวงพ่ออินลงไปไเพราะเอะไรเพราะว่าเราไม่เราไม่บอกกล่าวจุดไหนที่ควรจะขอร้องชุมชนกลุ่มไหนถ้ากำลังไม่พอนี่ตำรวจทหารโรงเรียนผู้ใหญ่บ้านกำนันองปอตอพร้อมที่จะเรียกร้องเขาเข้ามาทั้งหมด ถ้าเรียกร้องมันได้ก็เจ้านายเขามีประลัดอำเภอเนี อ, อบอตอ เ, เราก็บอกใครไปบอกคนในวัดของเราก็มีตั้งเยอะแยะไปขอร้องเขามาช่วยจุดนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าคำว่าพวกเรารู้จักใช้คนไ ม, ไม่หนักหนาและก็พร้อมกันก็บอกมอบให้ท่านหน่อยนะ ช, ยช่วยประสานในเรื่องนี้ จะให้แต่ทางในครัวประสานที่เดียวก็ไม่ได้ต้งฝ่ายพระก็ต้องช่วยกันประสานช่วยช่วยกันมองเหมือนกับ น, นกกระลางอยู่ในป่าอย่างนั้นน่ะนกกระลางมาอยู่ในป่ามาอยู่เป็นฝูง mm hmm. ต่างคนก็ต่างมองถ้าเห็นพิษภัยมาทางไหนตัวที่เห็นก่อนมันก็ร้องอันนี้ข่มือนกันนั่นแหละลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อหลายคู่หลายคนใครมองเห็นมุมไหน ที่จะเป็นประโยชน์มองไหนเป็นจะเป็นมงคลมองไหนที่มันจะเป็นหายณนะมองมุมไหนที่มันจะไม่ดีต่อชุมชนและตุงตรุงของเราในการทำงานของเราเราก็บอกกล่าวกันนี่แหละท่านหลายหูหลายตามันก็ดีนะแต่ถ้าว่าหลายหูหลายตาแบบไม่ใส่ใจสื่อบือ้อซาบ้าไป หลับหูหลับตาไปอันนั้นก็ถึงจะหลายหูหลายตาก็หลงปู่ตือ่นว่าหูกระเช้าหูก็ช้าหูมอกหางตาก็ตาไม่สักตาไมาส่สร้างตาไมา่ไผ่ไม่ไล่ไม่บง่งไปนะตาไม้อยังไงตาไม่คิดตาไม่อ่านเพียงแต่เป็นตาเฉยๆตาไม่เกิดสติตาไม่เกิดปัญญาหูก็หูไม่เกิดสติหูไม่เกิดปัญญาหูไม่ใช่ เมื่อฟังได้ได้ยินแล้วมีเหตุมีผลอย่างไรถูกต้องอย่างไรผิดอย่างไงถูกอย่างไรถ้าหูมีปัญญาต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหูไม่มีปัญญาก็อย่างว่านะเหมือนกับหูตะก้าหูมอกขางหูกระเช้าหูกระชาอหูหมอโลไปอย่างนั้นเราต้องมีหูเหมือนกันแต่ว่าหูนั้มันเป็นยังไงแต่ก็มีประโยชน์อยู่พอได้จับหิ้วหูมัน แต่จะให้มันเกิดประโยชน์มากกว่านั้นมันเป็นยังไงอันนี้ทางหูมนุษย์หูพระ ห, หูลูกศิษย์วัดหูลูกศิษย์หลวงพ่ออินเมื่อได้ยินอะไรมาต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความรบอบคอบแล้วการได้เห็นอะไรมาจะช่วยกันอย่างไรจะจัดการอย่างไรในเรื่องนี้จะเป็นไปได้วยความเรียบร้อยราบรื่นอันนี้ก็คือ ต้องใช้ปัญญาใช้จิตใช้แนวความคิดร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีความพร้อมเพียงสา ม, มัคคีกันแล้วไม่ว่างานหนักงานเบาทะลุผ่านไปได้แต่ถ้าว่ า, เ, าเกี่ยงกันอิจฉากันแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจขย่างวานะถึงจะเป็นหมื่นเป็นแสนกน็เป็นลุกสิทย์ลูกหากันเถอะ อย่างกรุงศรีอยุธยาแตกให้ทับให้พม่ากันนี่แหละเี่ยเพราะเหตุอะไรครเพราะความอิจฉาเพราะความไม่ลงรอยกันนี่คือเหมือนกันที่หลวงพ่อเปรียบเปรียบนู่นเปียบนี่ให้ฟังก็เพื่ออยากจะให้พวกเราเป็นแนวความคิดอันไหนสถานะไหนควรจะทําอย่างไรควรจะจัดการอย่างไรแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราจะช่วยกันคิดนะนั่นเรื่องวัตถุทิพย์อย่างที่หลวงพ่อพูด ไม่ต้องห่วงถ้ามีอะไรก็ถามหลวงพ่อบอกหลวงพ่อหลวงพ่ออันไหนมันเกินไปหลวงพ่อก็จะบอกบอกเกินเกินไปคืออะไรนึ่งสั่งอาหารตามต่างประเทศเข้ามาเนี่ยอย่างเนี้ยเออเกินฐานะวัดของเรานะ่าลูกหลานหน่าหลวงพ่อก็จะบอกเอออาหารทั่ ว, วไปหลวงพ่อที่สั่งมาแต่นี่เออเอาดูดูกันเนะ้อดูเลี้ยงให้ทวถึงกันเนะ้อให้เพียงพอกัน พอหลายคู่หลายคนพอแถวนี้ไม่มีร้านอาหารต้องอาศัยวัดของเราผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อยก็ได้ให้อยู่ได้กินให้อิม่มให้เพียงพอเดอ้อหลวงพ่อก็จะบอกก็จะสอนนื่อถ้ามีความข้องใจถ้าไม่ข้องใจก็เอาทํามาเลยเหมือน เ, เราเคยทํานั่นแหละดูแลปิดร้องลูกหลานผู้ที่มารับ ให้เพียงพอกันไม่ต้องคิดเล็กๆน้อยๆเหมือนกับทางโลกเขาคิดนีอันนี้คือวัดวดัดไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องขาดทุนกำไรมีแต่ว่าสิ่งไหนที่จะถูกต้องเป็นธรรมอันไหนที่จะถูกต้องเป็นธรรมในการรับในการผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องให้ช่วยกันคิดเพียงเท่านั้น และพร้อมกันพระเมื่อวานนี้่ฟ้าผ่านเะมื่อลวานเนี่ยเราเห็นพรนะในยุ่งยิ่งยุ่งเหยิงขนาดทุม่มสองทุม่มจะมาดื่มน้ําฉันน้ํากันมั่วกันอยู่ตั้งวงกันอยู่เหมือนกับวงขี่เล่านะมันดูไม่ได้เลยนะเราอยู่กับครูบาอาจารย์งานเราก็ว่างงานแต่พอเสร็จแล้วก็จบเอฉันเพียงเท่านั้นกับแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกัน ยังไม่ขํามก็แยกย้ายกันอันนี้มืดจนพอแรงใต้ไฟจุดไฟเต็มไปหมดขนาดอยู่ในห้องน้ําไม่มีคนก็จุดทิ้งไว้อย่างนั้นอะไฟเราไปเห็นโลพระของเรารุ่นนี้ช่วงนี้นะรู้สึกมันไม่สบายใจพูดง่ายๆเราเป็นหัวหน้าเนี่เราเห็นแล้วไม่สบายใจพูดอย่างงั้นได้แต่ถ้าหากว่ามีกิจวุละทำเสร็จแล้วก็เออ พอที่จะหยุดจุดเลิกกันอ อ, อย่างต่างคนก็ต่างหามุมสงบของใครของเราเพราะเรามาภาวนาเรามาปฏิบัติเราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นถามหัวใจท่านดูสิถามหัวใจพวกท่านทั้งหลายดูสิพวกท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรมาเพื่ออยู่เพื่อกินมาเพื่อเที่ยวเพื่อโม้เพื่อคุยเพื่ออยากจะได้ลาภประโยชน์อย่างนั้นใช่ไหมถ้าหาว่า ถามออกมาในอย่างที่ผมพูดเนี่ยแปลว่าผิดที่ผิดทางแล้วมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์หรือว่าภาวนาอยู่ในความสงบงานก็คือางานเหมือนกัรอย่างเสติ๊กเนี่ยเมื่อเราจะใช้งานเราต้องยืดออกในเมื่อเรายืดแล้วเราใช้แล้วมันก็ตกก็ต้องพยายามหมดเข้าอแต่ก็รู้จัก จุดประสงค์ของหัวหน้าอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อมีจุดประสงค์อะไรแต่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะขี้แตนีทีเหนียวไม่ใช่มีอะไรหลวงพ่อกระสั่งมาเพื่อให้พวกท่านทั้งหลายได้อยู่ได้ฉันอันนี้พออยู่ชันกระ ท, ทิ้งทิ้งเกินเกินต้องวงนั้นหมตั้งวงนี้เออไปที่ไหนเออในยงในย่ำ ม, มีแต่ของดูกอยู่ของกินมั่วไปหมดจากแล้วกระตั้งวงกันอีก ไม่รู้วงไหนตัววงไหนเราดูไม่จืดมองแล้วไม่สบายใจกับหมู่กับเพื่อนที่ทําลักษณะอย่างนี้พูดอย่างนั้นได้พ่าเราอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่องค์หลวงตานะสมัยนะั้นะที่ไม่ทํางานเราก็ทํางานเพรอชั้นจบแล้วก็ปัดกวาดนะก่อนที่จะปัดกวาดเราก็บอกบอกหมู่เนื่งเพราะหมูอย่างนั้นกับ ม, มีอยู่สิบกว่าองค์มีพระฝรัง่ง เราก็ทํางานเพียงองค์สององค์ทํางานนอกเหนือที่ไม่ได้ทํางานไปไปทํากิจวัตรข้อวัดแบ่งกันทําแบ่งกันออกไปเพราะหมู่ไม่มากไอ้พวกที่ทํากันสองสามองค์พอได้จับงัดไม้พอได้ทําถ้าไม่ทําในช่วงนั้นก็มันก็มีงานก็ไม่เสร็จง่ายแต่ลงตาเท่ากัมาดูถ้าหาว่าท่านเห็นพระมาทํามั่วกันโดยถ้าไม่มีกิจวัตรฟ้าพาลงตรงนั้นอีกเหมือนกัน แต่ทึงยังไงก่อนค่ำประมาณ4ี่หโมงเย็นพบหมูปัดกวาดทำความสะอาดเสร็จแล้วขวนน้ำเสร็จแล้วเลิกกันเก็บสิ่งของหยุดที่จะว่าสัง่งโกโก้ ก, กาเฟ่มาให้หมูพวกเพื่อนได้ฉันไม่มีโกโก้สมัยนะะั้นกับตรานางพยาบาลกระป๋องหนึ่งกระป๋องสี่เหลี่ยม15บาบาทสมัยนะะั้น ต่อมาถึง25บ้าบาทต่อมา10ต่ไมนะ่นั้นสบาทกระป๋องหลวงพ่อยังจําได้ท่านล้มตาไม่เคยสั่งโ ก, โกโก้กาแฟไม่เคยแต่มันมีมาเท่าไหร่กับฉันเท่านั้นหมดแล้วก็คือหมดแต่หลวงพ่อเนะี่ยยังรับหน้าไปนะถ้ามันขาดเหลือภายในวัดจะตกปัจจัยที่ได้มาหลวงพ่อเออการสงเคราะห์อนุเคราะห์ภายนอกหลวงพ่อยังสงเคราะห์ได้ช่วยลงร่ำรงเรียนช่วยโรงพยาบาลหลวงพ่อยังให้ทางนอกไปได้ จะซื้อสิ่งของมาให้พระได้อยู่ได้ฉันภายในวัดเนี่ยจะขี้เหนียวได้อย่างไรหลวงพ่อเขามาคิดจุดนี้อีกเหมือนกันเอ่เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้สั่งเข้ามาแต่สั่งเข้ามาพระลืมตัวอันนี้จุดนี้แหละเป็นจุดที่หลวงพ่อคิดไปออกอีกเหมือนกันไม่รู้จะว่ายังไงถ้าจะให้หิวเหมือนกั็เหมือนขาดต้ำใจขาดเมตตาของหลวงพ่อถ้าสั่งเข้ามาฟุ่งเฟือเหลือเฟือ กระทำให้พระเนี่หลงตัวลืมตัวไปอีกพอออกจากที่นี่ออกจากวัดนี่ก็เดินไม่เป็นไม่เป็นเดินเป็นไม่ไปไม่รู้จะเดินทางไงเพราะมันไปที่อื่นมันก็ไม่เหมือนอยู่ที่นี่ไอ้ผลวนี่สู่กันน่ะเสียหายพระอีกซิ่งเหล่านี้หลวงพ่อได้คิดหมดไม่รู้จะเอายังไงอีกเหมือนกันบางทีก็เราก็ได้คิดอีกเหมือนกันนะถ้าเดินออกจากออกนอกลู่นอกทางจากองค์หลวงตาไปแล้วเนี่ยมันน่าคิด อสมัยสร้างกำแพงหลวงพ่อยังจำไม่ลืมกระเทื่อนใจอยู่กระทั่งทุกวันนี่เพราะเหตุไรหลวงพ่อก็คิดว่าอืพวกพระทั้งหลายควรจะไปกับชาวบ้าน่ควรจะมีการประสานสมัครกีกันพราะเราอยู่ที่วัดป่าบ้านตาหลวงตาไม่ให้ยุ่งกับชาวบ้านเด็ดขาดเลยมีแต่โยมผู้ชายสองสามคนมาเลื่อยไม้ให้จากนั้นก็มีแต่พระไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นชาวบ้านคนไหนก็ตามชาวบ้านจะไม่มักเข้ามาเกี่ยวข้อง มีแต่พระจากนั้นทำเท่าไหร่ได้ก็ทำเท่านั้นท่านไม่ให้ยุ่งกับใครหลวงพ่อเราออกมานี่ก็บางทีบางองค์ไม่ได้ใช้ความรอบคอไม่ได้ใช้สติปัญญาคงจะประสานกับคู่คนไม่เป็นมากคนจะพูดกับคู่คนไม่เป็นควรจะมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับคู่คนได้บ้างถ้าว่าพระในวัด ได้พบกับคู่คนหญิงชายที่มาเกี่ยวข้องบริหารจัดการอย่างไรคงจะเกิดประโยชน์มั่งหลวงพ่อก็มาอื่อเออมาถึงยุคเราเราจะให้พระออกทำงานเกี่ยวกับประชายชนบ้างต่อไปภายภาคหน้าเมื่อไปเป็นสมภารเมื่อเป็นไปเป็นเจ้าอาวาตก็จะได้รู้จักบริหารจัดการวัดของตนเองจะใช้คนอย่างไงจะเรียกคนมาใช้อย่างไง จะบริหารคนอย่างไรในขณะที่ทำการทํางานก็คงจะกว้างขวางหลวงพ่อเอาทดลองออกจากแนวทางอนจะไหออกจากแนวทางหลวงตาพ่อออกจากแนวทางหลวงตาเห็นไหมวัดแตกเลยโอโ้ตา ย, ยหยุดแต่มันหยุดก็ยังเยเปเพราะยังตืดตลืดไปจนพอแรงจนได้ไล่พระออกจากวัดในคราวนั้นนี่แหละ เสียงเหล่านี้หลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อไม่คิดนตะหลวงพ่อคิดนะอันนี้ทําไมพูดตลอดถึงญาติโยมเพราะญาติโยมก็เกี่ยวข้องกับพระก็เดียวว่าหลวงพ่ออหลวงพ่อเนี่ยเข้มงวดกับพระเกินไปถ้าหลวงพ่อไม่ทําความเข้าใจกับศรัทธาญาติโยมที่เกี่ยวข้องที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เกี่ยวข้องกันเพราะวัดนี้มันเกี่ยวข้องทั้งชาวบ้านด้วยทั้งพระด้วยเพราะนั้นต้องพูดให้เข้าใจกัน ว่าการปฏิบัติของพระนี่คือจุดประสงค์นั้นคืออะไรจุดมุ่งหมายของพระสงฆ์นั้นคืออะไรทางโลกก็ให้อยู่แบบโลกทางธรรมก็ย่อให้ย่ออยู่อย่างธรรมอย่าเลื่อมล้ำกันอย่าก้าวไกลกันถ้าหากว่าก้าวไกลกันหรือว่าไม่ล้ำเส้นกันแล้วนะวัดนั้นสงในกลุ่มนั้นชุมชนในกลุ่มนั้นมีแต่เละตุ่มเปะอย่างเดีอย่างเดียว เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆคนนะเป็นหูเป็นตาเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลกันมีแต่หลวงตามองสองตาเนี่ยหลวงพ่อมองเห็นอะไรหลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นแต่ถ้าบ า, บางสิ่งบางอย่างหลวงพ่ออาจจะมองไม่เห็นในเมื่อมองไม่เห็นสุตเจ้าต้องมองเห็นศาสนาพุทธศาสนาศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นของใครมันเป็นของเราทุกคนไม่ใช่ของหลวงพ่อนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆองค์นะ ต้องช่วยกันผู้อยู่ในสถานหน้าไหนอยู่ที่ไหนอย่างไรให้ช่วยกันทุกเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาให้ช่วยกันดูแลให้ช่วยกันบำรุงรักษาเพราะต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นฝ่ายพระสงฆ์ก็เป็นผู้ใหญ่พวกท่านจะบริหารจัดการอย่างไรในเมื่อท่านเป็นผู้ใหญ่ในขณะที่พวกท่านมาศึกษากันได้ยินอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะ ที่ผมพูดให้ฟังก็เป็นแนวทางสําหรับพวกท่านให้พวกท่านทั้งหลายเป็นการศึกษาเป็นแนวทางแห่งการศึกษานี่เมื่อท่านพวกท่านทั้งหลายฟังดูแล้วนั่นแหละจะได้นําไปประยุกต์ใช้อย่างที่ผมอยู่กับองค์หลวงตาอย่างนั้นน่ะเหลวงตาหลวงตาี่เกินไปกระมังเข้มงวดกดการเกินไปพอออกจากวัดไปเราก่อนที่จะมาตั้งต้นใหม่เออเราเนี่ยเรา มีความคิดอยูเออ่เราคิดว่าเรามีความคิดองค์หนึ่งนในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายใคราว่าการบริหารการจัดการการดูแลการพูกกับคู่กับคนจะทํำยังไงเราพอจะมองออกได้เพราะเรา เ, เข้าไปอยู่ใกล้องค์ลงตาเลยนี่ยท่านทํากับกิริยายอย่างไรเรื่อว่าท่านแน่ทาสั่งสอนคนอย่างไรท่านดูดาว่ากล่าวคนอย่างไรอย่างนี้เราก็สังเกตทุกอย่าง อันนั้นคือแนวทางเราก็พยายามเดินตามแนวแถวที่ท่านพาดําเนินหรือพาท่านปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้เปี้ยอย่างท่านโหท่า น, นลุงตาเนี่ยถ้าจะความกลิ่งกลมของท่านนเนี่อไม่มีเหลี่ยมเลยละ่ะเหมือนกับแก้วตาแมวอย่างนั้นเนี่ยกลิ้งไปทางไหนได้แต่อยู่ในหลักธรรมที่ไหนแต่พวกเราเน่ยกว่าจะพลิกได้แต่ละเหลี่ยมน่ยโอเหมือนกับไม้สองเหลี่ยมสี่เหลี่ยมลักษณะอย่างนั้น่ะเพราะนั้น ที่พูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังพูดให้พวกเราได้ฟังหูตาหูเมื่อได้ยินแล้วคิดอย่างไงตาเมื่อได้เห็นแล้วคิดยังไงอย่าเป็นตาไม้ไผ่ตาไม้สักไม้สร้างตาไม้ไผ่ตาก็ต้องตาตาสติตาปัญญาหูก็เหมือนกันหูสตหิหูปัญญาเมื่อได้ยินได้ฟังกันคลองไตรตรองเหตุและผลเมื่อได้เห็นแล้วก็เหมือนกัน วันนี้หล่งพ่อให้แนวความคิดนะแล้วต่อนนี้ไปนุโมตนาให้พ่อด